พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่20ตุลาคม2556ณวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองจังหวัดเลยมีชื่อเรื่องว่ามักผลนิพพานนี้มีที่ใจเท่านั้น ก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อเองจะแนะนำเรื่องของสินให้กับคณะสัาญาิโยมได้ทราบว่าคุณค่าของสินประโยชน์ของสินคุณของสินที่พวกเราท่านทั้งหลายจะสมาทานต่อไปนี้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรทำไมคนโบราณเขาจึง เมื่อมีสาธนพิธีขึ้นมาอย่างนี้เขาก็ไหว้พระแล้วก็จะมาทานสิ่งจากนั้นพระสงฆ์ที่เป็นประธานสงฆ์ที่มีอายุพรรษาท่านก็ให้สิ่งกับคณะสัตยาญาติโยมอันนี้คือเป็นประเพณีมาตั้งแต่ยาวนานแต่คราวนี้ครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่พวกเราท่านทั้งหลาย ไปณสถานที่ต่างๆในสาสนาพิธีพวกเราก็เมื่อไหว้พระเสร็จแล้วไม่ว่างานมงคลหรืออวมงคลงานมงคลก็คืองานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรืองานทำบุญอายุแต่งานอาวมงคลก็คืองานร่มงานตายงานศพ การรวดแล้วแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็อาราธนาขอสินศินห้าอันนี้คือคือเป็นประเพณีพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่เมื่อขอสินแล้วพระเทลรก็ให้สินท่านก็ไม่ได้อธิบายเรื่องสินห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรถือกันมาแล้วก็ถือกันไปนี่ หลวงพ่อเองม า, มานึกถึงจุดนี้ว่าพวกเราที่ไม่ได้บวชเรียนเขียนอ่านไม่ได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาก็คงจะไม่ซึ้งในศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนสถานที่ต่างๆอย่างที่มาในวันนี้ครั้งนี้แหละเห็นคณะรัทายาติโยมขอศีล หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าจากคณะสัทยาธิโจมจากจารตุรทิศคงจะไม่ใช่แต่เฉพาะอำเภอภูเรือแห่งเดียวเท่านี้คงมาจากหลายๆแห่งหนวนนั้นก่อนที่จะรับสินหลวงพ่อจะขอแนะนำเรื่องของสินให้กับคณะสัทยาติโจมให้เข้าใจก่อนอันแรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายขอสิน มยังพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะติสรเนนัหะแล้วบางครั้งก็มยังพันเตติทรเนนัหะบางครั้งก็วิสูงวิสูงบางครั้งก็ติสรเนนัหะปัญจศีลานิยาจามะแต่ทำไมขอสินห้าเหมือนกันทำไมไม่พูดแบบเดียวกันสิลห้ามีสองมาตรฐานหรือเปล่าถ้าว่าพวกเราได้สังเกตพวกเรา ถ้าว่าเป็นผู้สงสัยก็จะสงสัยแต่โดยมากโดยมากก็ไม่ได้สงสัยถ้าสงสัยกลัวจะเป็นบาปมากกว่ า, าพวกเราถือกันมาแล้วก็ถือกันไปนี่แหละตามไม่จริงสินห้าสองอย่างขอสองอย่างมีความหมายต่างกันความหมายที่เรียงหม้อมะยังพันเตติสรารเนนสหะปัญจะศีรานิยาจามะ ข้าพเจ้าขอสมาทานศินห้าทั้งหมดทั้งห้าข้อรวมกันอันนี้คือปัญจัแต่เมยังพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายยะข้าพเจ้าขอสมาทานศินเป็นข้อข้อข้าพเจ้าไม่มั่นใจจะรักษาศินรวมกันทั้งห้าข้อให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอสมาทานศินเป็นข้อข้อนะคือว่าวิสูงวิสูงถ้าว่าขาดข้อเน่งเราตบยง ยงตายไปสีท์สินขาดข้อที่หนึ่งก็ยังมีข้อที่สองถ้าหากว่าเราไปขโมยของเขารองเท้าของเขาแล้วก็ขาดสินข้อที่สองถ้าหากว่าเราไม่ครบสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาสินข้อที่สามก็ขาดไปไปโกโหกเขาข้อที่สี่ก็ขาดไปไปดื่มสุราเข้าไปของเหมือนเมาเข้าไปสิลข้อที่ห้าก็ขาด อันนี้แปลว่าวิสูงวิสูงขาดเป็นข้อๆแต่ติชะระเนธสหารักษารักษาสินรวมกันถ้าขาดก็ขาดพร้อมกันทั้งหมดเอออันนี้ก็คือศินห้าเหมือนกันแต่รักษาศินลักษณะที่พวกเราขอแต่ตามที่จริงถ้าให้หลวงพ่อเลือกนะหลวงพ่อว่าน่าจะรักษาลักทั้งทีก็ควรจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งห้าข้อพร้อมกัน ถ้าวันรวยก็จะได้รวยทีเดียวฮะจะไม่ใช่ไปเก็บเทละห้าสิบตะตางทีระเสหลงนะให้ได้ก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยจะดีกว่าจากนั้นเมื่ออาราธนาสินแล้วประธานสง์เรือว่าครูบาอาจารย์ผู้ให้สินท่านกว่านะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคณะทายาิโยบางท่านที่ห่างวัด ที่แต่ว่าเห็นมารับศีลกอรับไปแต่ก็ไม่รู้ว่าณโมตัศษะนั้นมีความหมายและความแปลว่าอย่างไรแต่ตามที่จริงะโมตัศษะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโอษนัตอันนี้คือความแปลและความหมายของณโมก่อนที่เราจะสมาทานศีล เราต้องน้อมลำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู<ม>เป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราลำลึกถึงพระคุณของผู้บัญญัติศินหรือว่าแนวความคิดของพระองค์ที่ให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแต่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วพวกเราไปเห็นด้วยศินของพระพุทธเจ้า ที่ท่านจะบัญญัติให้พวกเราได้ปฏิบัตินั้นเพราะนั้นเราจึงนอบน้อมพระผู้มีพระภาคคือต้นาศาสดาต้นพระพุทธาาศาสนาก่อนอย่างนั้นเราก็จะสมาสกล่าวนอบน้อมด้วยว่าครวะพุทธังรรมังสังขังสรารนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึง พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้รีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นพระองค์ได้ประกาศพระธรรมคำสอนของพระองค์อย่างพวกเราประกาศเรื่องสินห้าหรือประกาศพระธรรมคำสอนอื่นๆที่8ป0 0 0สี่พันพระธรรมมขันจากนั้นพระสงฆ์ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราก็น้อมรับในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้คือพระสงฆ์เนี่ยพุทธังทำมังสังขังสารนังขจฉามิฆะไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งโนติยามปีขอยืนยันเป็นครั้งที่สองฆะไปเจ้าจะขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตาติยามปีฆะไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามยืนยันถึงสามครั้ง จะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวทางของชีวิตนำมาประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้คือพุทธทางธรรมะจากนั้นกับปานาติปาตาเว ร, รมณีนศิขาปะทางสมาทิยามิข่าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่ก็ไรเพราะเราไปฆ่าเขาถ้าเขามาฆ่าเราเมื่ อ, อไหร่ ฆ่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายฆ่าวงสาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจใช่ไหมได้เมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเขามาฆ่าพี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันเพราะว่าการฆ่ากันจะทำให้เราทุกใหญ่เดือดร้อน เราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็รักพี่น้องเพื่อนฝูงของเขาเหมือนกันและศีลธรรมของพระพุทธเจา้าให้พวกเราสังเกตดูว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานั่นแหละคือศีลศีลของพระพุทธเจา้าไม่ใช่อื่นไกลและศีลข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีอย่าไปขโมยสิ่งของของเขาเขากรักสังวนห่วงแหนของเขาเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันอย่างเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติของเขาไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้เขาเสียใจไหมเสียใจถ้าเราเขามาขโมยของเราไปเรียกค่าไถ่เราเสียใจไหมเรียกเอาเรียกพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาของเราไปเรียกค่าไถ่เราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะนั้นการขโมยกัน เพราะรองค์มองเห็นแล้วว่าไม่เป็นผลดีควรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสีนข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิทสาจาราว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงเห็นของเขาถ้าของเราก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเขามาล่วงล้ำสามีภรรยาลูกหลานของเราเราก็เสียใจยถ้าเขาเราไปล่วงล้ำของเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราละ่ะสมมติว่าเนี่ยตะกัวเนี่ยเอาย้อมสีทองทะอันนี้เราคือทองคำในเมื่อเราซื้อแล้วจ่ายเงินให้เขาแล้วมารู้ทีหลังว่าอันนี้คือตะกัวไม่ใช่ทองคำ เราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าให้ไปให้คนอื่นเขาล่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจเพราะนั้นการโกหกต้มตุนหลอกลวงกันมีมากหลากหลายทุกวันนี้มีเช็ดดองเช็ดแด้ง อ, อ, อย่างนี้เป็นตน้นล้วนแล้วจะเป็นตระกูลตกโกหกทางนั้นเพราะนั้นพระพองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีว่าคนที่ชอบโกหกท่านผู้ใดก็ตามใครก็ตาม ชอบที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไวา้เพราะฉะนั้นศินข้อที่สี่เป็นศิลที่ควรสํารวมระวังถ้าไม่จําเป็นไม่ควรจะโกหกคนอื่นเขาเขาจะเสียใจยเขามอโกหกเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันศินข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปมาการดื่มสุรา และเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนทุกวันในยาเสพติดมีมากถ้าใครดื่มเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะคนขาดส ต, ติเหมือนกับคนเป็นบ้าชั่วคู่ชั่วขณะในเมื่อขาดสติแล้วฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ ล, ล่าล่าประลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะนั้นสินข้อที่ห้าเป็นสินอันต ร, รายอย่างมากข้อหนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนถ้ารู้แล้วว่าสินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์และจะให้ใครเป็นผู้รักษาสินห้าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องรักษานับหนึ่งจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วข้าพเจ้าคนหนึ่งถึงใครจะไม่รู้คุณค่าแต่ข้าพเจ้ารู้คุณค่าเพราะการฆ่ากันไม่เป็นผลดีการขโมยกันไม่เป็นผลดีไม่เคารพสิษย์ในสามีภรรยากันไม่เป็นผลดีข้าพเจ้าโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันไม่เป็นผลดีการดื่มสุราขาดสติไม่เป็นผลดีข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศ Roland, Chad, glaub, ีลนับหนึ <True. S 2> ่งจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศินนี้แหละให้นับหนึ่งจากพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อนับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่จะมากไปเองแต่ถ้าว่าพวกเราไม่รู้คุณค่าของสินศีลธรรมสําหรับคนที่เข้าวัดหรือว่าคนแก่เท่านั้นแหละสมควรที่จะรักษาศินคนหนุ่มๆอย่างพวกเราเนี่ยถ้ารักษาศินแล้วจะกินอะไรฮถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นน่ะ น่นแหละโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวและแห่งเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกรัชทายญญาทโยมลูกหลานทุกคนเมื่อรู้คุณค่าของศีลแล้วต่อไปพวกเราควรจะสมาทานศีลหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลต่อไปนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโต สีเลนาในผูติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยต่อไปตั้งใจฟังแต่หลวงพ่อก็คงจะไม่ได้แสดงคงจะไม่เทศยาวเพราะว่าวันนี้ก็ดึกพอสมควร แต่ถึงยังไงถ้าหาว่าไม่มีการแสดงธรรมเเลยก็ขาดไปเหมือนกันนะขาดขาดเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นขอให้คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนตั้งใจฟังในช่วงขณะหนึ่งและก็พร้อมกันเมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมจบลงไปแล้วก็คงจะมีการสวดพระปริตะมงคลหรือว่าสวดสมโพธิพระพุทธปฏิมา เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลมาคือพระพุทธโรคที่เป็นพระประธานต่อหน้าของพวกเราท่านทางหลายเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งขอให้กนัตถาญาติโยมลูกหลานทุกโมเหล่านะวันนี้เขาต้องสู้นะวันทีปีหนทั้งชีวิตของพวกเราก็ได้มาทําบุญอย่างวันนี้แหละหาได้ยากมาก เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลชีวิตของพวกเราเพราะนั้นก่อนที่เมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมจบลงไปแล้วคณะสงฆ์ก็จะได้สวดพระปริตตะมงคลจากนั้นก็จะได้สวดสมโพธิพระพุทธปฏิมาเพื่อเป็นฉริมงคลสําหรับพวกเราท่านทางหลายเอาต่อ น, นี้ไปตั้งใจฟังแล้วก็ในขณะที่หลวงพ่อเทศ อย่าถ่ายกล้องที่มีแฟลชแล้วก็ใครก็ตามถ้ามีเสียงโทรศัพท์พก็ให้ปิดโทรศัพท์ไปก่อนในช่วงนี้นะแล้วก็ถ้ามีเสียงโทรศัพท์เกิดดังขึ้นก็ให้รีบออกไปข้างนอกอย่ามาคุยโทรศัพท์ในในละแวกนี้มันเสียสมาธิในการพูดในการแสดงธรรมนะโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังขะรมุตตะมันติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง ที่หลวงพ่อนิพน์อภิปสันโนที่ท่านได้ เ, เป็นเจ้าวาดณสำนักแห่งนี้แล้วก็ท่านได้ริเริ่มสร้างศาลาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นที่หลวงพ่อได้ดูในสมุดกล่าวคารายงานแต่ท่านจะกล่าวคารายงานในวันพรุ่งนี้ ศาลาหลังนี้หมดไป21ล้านนะลูกหลานนะคะัทายญาติโยมหาได้ที่ไหนแล้วก็ท่านสร้างเพื่อใครท่านก็บอกว่าสร้างเพื่อบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ได้นิมนต์ทูลเสด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรนรัตน์ที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ ในฝ่ายการศึกษาเป็นว่าผู้ใหญ่สุดรองลงมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็นเนี่ยองค์นี้แหละสมเด็จพระวรรณรัตองค์ที่มาเมื่อกี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่สุดของธรรมยุทธวงการกรรมฐานเบริวงการธรรมยุทธของพวกเราแล้วก็ท่านได้มาอุตส่าห์มามารับมาเป็นประธานศาลาหลังนี้ แล้วก็สาราหลังนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบว่าเป็นการถวายสารากา ร, ปรเปรียนแ ด, ด, ส ด, ดนส่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เ, เดี๋ยวนี้พระองค์ก็กำลังทรงประสวนอยู่พระพระองค์อายุร้อยปีเมื่อวันที่วันที่สาวันที่สมที่ผ่านมา ครบร้อยปีเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นพระมหาเถระที่เป็นที่เชิดชูบูชา เ, าเป็นประธานสงฆ์เพราะนั้นท่านพระอาจารย์นิพน์ท่านเห็นคุณค่าเห็นพระคุณในเจ้าพระคุณสมเด็จและคณ ะ, ะสงฆ์ท่านจึงได้พาคณะจดทายาิโยมสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมาเพื่อบูชาพระคุณ เจ้าพระคุณเป็นสังฆราชบูชาหลวงพ่อว่าเป็นคโคนโอภการอย่างสูงยิ่งเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันได้แสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็เฮ่รึงในน้ําใจของหลวงพ่อนิพน์เหมือนกัน พรท่านได้เสียสละทุนนัพย์ท่านได้ก่อนที่จะสร้างศาลาถึงหลังนี้ขึ้นมาต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้พลังหลายหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทรัพย์ท่านก่อนที่จะได้มาถึงยีสอ็ดล้านไม่ใช่ของได้ไง่ายๆแต่ท่านก็มีความอุตสาหะริยะได้สร้างขึ้นมาได้ไม้มาแล้วได้ของมาแล้วได้วัตถุมาแล้ว ก็ต้องมาดูแลควบคุมในความการก่อสร้างการสร้างศาลาพวกเรามองเห็นนี่สิศาลาหลังนี้ปลาเนตไปทุกทุกแห่งหนทุกตัวออของไม้ที่พวกเราได้เห็นทั้งไม้ทั้งปูนทั้งพระพุทธปฏิมาที่นั่งต่อหน้าของพวกเราก็เป็นหินมาจากแม่น้ำโขงหนักถึงสิบกว่าตัน ที่พระพุทธโลกต่อไปก็คงจะเห็นพระเป็นพระพุทธปฏิมาพระพุทธปฏิมาจำลองมาจากฟัดพระแก้วแต่นี้เป็นองค์ใหญ่แต่องค์พระแก้วนะเป็นองค์เล็กแต่ในจำลองมาจากองค์นั้นเป็นพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องเหลืองอาลามเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมเมื่อมีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาเคารพกราบไหว้สักการะบูชา เป็นมงคลมหามงคลในชีวิตของพวกเราในละวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสําหรับพุทธบริษัทโดยเฉพาะในเขตอาําเภอภูเรือของพวกเราอราําเภอภูเรือด้านซ้ายจังหวัดเลยของเราที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านคิดไกลท่านได้มาสร้างท้าวรวัตถุให้พวกเราได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชา อย่างนี้หาได้ที่ไหนเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจัท้าญาติโยมทุกท่านควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะมากหรือน้อยก็ตามกำลังศรัทธาของพวกเราแต่ก็พร้อมกันเมื่อเราได้มากราบมาไหว้พระพุทธปฏิมาหรือว่าได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่า พระพุทธองค์แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างไรให้รู้จักคุณงามความดีอย่างไรในหลักธรรมคำสอนสำหรับสั่งสอนคารวาดก็คือทานศีลภาวนาแต่สำหรับแนะนำพระสงฆ์ที่อยู่ภายในก็ว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือพระสงฆ์ไม่ได้มีการเสียสละเพราะว่าท่านไดเสียสละเมื่อออกมาบวชแล้ว ทรัพ ส, สมบัติของท่านได้เสียสละทิ้งไปหมดแล้วท่านจึงให้รักษาศีลศีล ส, สมาธิปัญญาแต่สรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าคาว่าพุทธบริษัทคำว่าบริษัทคำนี้บริษัททางร้านต่างๆมันก็มีบริษัทมีผู้จัดการมีผู้อานวยการเป็นเลขาเป็นอะไรมีต่างมาก แต่นี้พุทธบริษัทคือคือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทพวกเราเป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่อยู่เบื้องในก็เป็นผู้ดูแล บ, บริษัทคณะสัตยาธิโธมก็เป็นผู้มีส่วนร่วมในบริษัทสนับสนุนในบริษัทจะทำจงไงทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นผู้ดูแล หลักธรรมวินยัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ในกรอบให้มั่นคงถาวรให้อยู่ในหลักเกณฑ์แต่พุทธบริษัทของพวกเราที่ทำมาหาเลี้ยงชีพจะได้ศึกษาในรายละเอียดเหมือนกับพระสงฆ์ที่อยู่ภายในนั้นก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากแต่พวกเราให้การสนับสนุนด้วยปัจจัยสพระสงฆ์ต้องการอะไรที่จะเป็นสมณบริโภค คณะศรัทธาญาติโยมก็ให้การสนับสนุนอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบ อ, อให้ฟังให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาก็เปรียบเทียบมันกับช้างมีช้างตัวหนึ่งมีสีขาสีขาก็คือขาหน้าก็คือภิกษุสัมมเนนขาหลังก็คืออุบาสกอุบาสิกาถ้าหากว่าขาหน้าไม่ล้าวขาหน้ามันขาดจักจะมีแต่ขาหลังช้างตัวนั้นก็ไปไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าขาหลังขาดมีแต่ขาหน้าช้างตอนนั้นก็มีตะเกียกตะกายไปไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นพุทธบริษัทสีต้องไปด้วยกันพระสงฆ์ที่อยู่ภายในข้างในเป็นผู้ทรงศีลอยู่วัดวาศาสนาก็เป็นผู้ทรงศีลมีสีราจารวัตอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมมีในสำหรับฆราวาดญาตโยมก็เป็นผู้ให้การสนับสนุน พรันขอให้พวกเราคณะจัตทา ญ, ญาติโยมทุกหมูเรเาลให้ช่วยการประคับประคองธนบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่นานเท่านานคำว่าทานคำนี้พวกเราให้คิดดูคำว่าทาน ค, ค, คือการเสียสละถ้าว่าพวกเราเป็นผู้มีขีดตนีทีเหนียวไปยอมแบ่งปันให้กับใครพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่ น, อน้องญาติโกโหติกา ถ้าว่าพวกเราไม่มีการเสียสละให้กันซึ่งกันและกันแล้วพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าตรัสทานะคำนี้คือการเสียสละคืออามิจฉาทานอามิจฉทานก็คือข้าวน้ําโภชนะอาหารคือปัจจัยสี่วิทยาทานก็คือให้ความรู้กับพวกเราคือให้ความรู้ซึ่งกันและกันอันนี้วิทยาทานธรรมทานก็คืออย่างที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เห็นธรรมะแล้วก็นํามาสั่งสอนพวกเราส่วน อ, อ, อภัยยะทานคือพวกเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการทะเลาะแว้งกันในจิตในใจความพอใจไม่พอใจมันก็ต้องมีเพราะเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละทานะคือการทานคํานี้ถ้าพวกเราคิดดูให้ดีแล้ว มีการให้อภัยทานกันมีให้วิทยาทานมีให้ธรรมทานมีให้อามิตรทานพวกเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุกเพราะเห็นใจซึ่งกันและกันนี่แหละคือทานศิ่คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยรักษากายวาจาของตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังเรื่องสิ่ง้าพวกเราขอพอจะมองเห็นแล้วว่า ศีลและธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเรื่องสมาธิศีล ส, สมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นทําจิตใจให้มั่นคงความจิตใจให้มั่นคงคํานี้เรื่องสมาธิเนี่ยหลวงพ่อเองเคยแนะนําบอกกล่าวแก่คณะสัตยาติโยมลูกหลานพวกเราเป็นศิษยาณุศิษย์สายหลวงปู่มั่นในภาคอีสานเนี่ย ในภาคอีสานเนี่ยเป็นสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองก็ยึดในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่สามาแนะนําบอกกล่าวกันนักศร้าญาติโยมลูกหลานว่าหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นพวกเราท่านปฏิบัติตนอย่างไรแต่สายอื่นล่ะมมันผิดจะไม่หลวงพ่อทําไมจึงยกแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นใช่ไม่ผิดแต่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าจึกษาในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วก็ ให้ฟังให้ศึกษาเพราะเราเชื่อมั่นว่าสายหลวงปู่มั่ น, นก็คือท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราให้ปฏิบัติตนอย่างไรแต่สายอื่นก็มีมากในประเทศไทยทุกวันนี้แต่ว่าถูกไหมถูกเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างถวะกรรมฐานสี่สิบแต่หลวงปู่มั่นท่านนามาใช้กรรมฐานสองอย่าง คืออนุสติสิบเนะี่ยท่านเอามาใช้สองอย่างคือพุทโธกับอานาปานาสติบวกกันนะอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นหร เ, เวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ น, นี่คือกรรมฐานเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองได้ยึดแนวแถวสายของหลวงปู่มั่นเพราะว่าหลวงปู่ล่าที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อที่บวชกับองค์หลวงปู่ล่าเป็นอันดับแรก จากนั้นก็ได้ไปศึกษากับหลวงปู่จามแล้วก็หลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงตามหาบัวล้วนแล้วจะเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มัน่นทางนั้นถ้าจะเปรียบเทียบว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เนี่ยมีมากหลากหลายแต่หลวงปู่มัน่นถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับวิทยาอาชีพวิชาอาชีพในประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ใช่โลกนะทั้งโลกนะเพียงประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้นแะ วิชาอาชีพยังมากหลากหลายบางคนบางกลุ่มก็ทํานาบางคนก็ทําไร่ข้าวโพดบางคนก็ไล่มันสําปะหลังบางกลุ่มก็สวนยางพาราบางทีก็เป็นข้าราชการแต่ละหน่วยแต่ละเหล่าก็มีมาก เ, เปลี่ยนทหารเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าประชาชน เป็นพิพภากษาอายการเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาอาชีพแต่ละคนนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากรรมฐาน40ส เ, เราจะยึดอะไรเป็นหลักแต่นี้เราเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่า เ, เวลาภาวนา เ, เวลาเวลานั่งภาวนานะเนี่ยอย่างพระประธานอยู่ต่อหน้าของพวกเรา ให้ไหว้พระกราพระราหังสวากาโตสุปฏิปันโนสวากาโตสุปฏิปันโนเมื่อกราบเสร็จแล้วก็นโมตัสสะปะคขวะโตเข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพทุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พทุทธังทำมังสังขังสรานาคฉาเมดูติตาติจากนั้นก็ถ้ามากกว่านั้นก็สวดอิทธิปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนกาเยยวาจา ถ้าได้มากเราก็สวดมากถ้าได้น้อยเราก็สวดน้อยแต่ถึงอย่างไงเมื่อไหว้พระเสร็จแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาแผ่เมตตาคำนี้น่ะถ้าเราอาหารสุกิโตโหมินิทุโหมิเราอาจจะไม่แปลไม่เข้าใจแต่เอาภาษาใจอย่างหลวงปู่ล่าที่ท่านแนะนำสั่งสอนหลวงพ่อท่านบอกว่าให้นึกเป็นภาษาใจของเราทาใจให้นิ่งๆปนมือ แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโล ก, กธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณด้วยเทินอันนี้ก็คือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำจากนั้นแล้วก็กราบพุทธโธธรมโมสังโฆ นิพพานังฮะข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หวังอย่างอื่นหวังพระนิพพานเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารขอให้ถึงพระนิพพานโดยเร็วฮะอันนี้คอือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนจากนักก้นก็กราบเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย เมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกให้ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็ทําใจให้นิ่งจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทอันนี้คือวิธีการของหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลาย จากนั้นเวลาหายใจเข้าพุหายใจออกโทให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอย่าให้จิตใจฟุ้งปูงไปทางอื่นถ้าคิดไปในอดีตอย่าให้คิดไปในอดีตอย่าให้คิดไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นน่อันนี้แหละคือวิธีการภาวนาถ้าว่ามันจิตใจ ม, มันยังสลบมันยังหลงไปอีกอยู่ มันยังเผอไปได้อยู่ให้บริกรรมให้ถี่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ย่ำอยู่ในความรู้สึกของตนเองอันนี้แหละคือวิธีการภาวนาแนวแถวสายหลวงปู่มัน่นแต่หลวงพ่อเองก็ขอแนะนำคณะจัดทาญาติโยมหมู่พวกเพื่อนพระน้อยหนุ่มลูกหลานทั้งหลายเวลาหายใจเข้าในหลวงพ่อว่าถ้าเราอยากจะรู้แล้วว่าสติของเราเนี่ยดีขนาดไหนเป็นอย่างไง เวลาหายใจเข้าให้นับให้นับนะนับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับสี่นับห้านับหกแต่จะไปแต่งรมให้หายเป็นธรรมชาติหายใจเข้าก็นับหนึ่งนับสองไปถึงร้อยพอนับถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่อีกถ้ามันไม่เผลอนะถ้ามันเผลอจุดไหนให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกนี่แหละวิธีการนับหนึ่งสองน่นคืออะไรเวลานับหนึ่ง เวลาหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขคี่หายใจออกสองเป็นเลขคู่หายใจเข้าสามเป็นเลขคี่คี่คู่คี่คู่คี่คู่ไปถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอแปลว่าสติของเราดีนาทีกว่าๆนับไปถึงร้อยนะแต่ถ้าเอาว่ามันเผลอมันเผลอบ่อยไหมถ้ามันเผลอบ่อยออพอนับไปถึงสิบมันเผลอแล้วไม่รู้หายใจเข้า เป็นเลขคู่ให้ใจออกเป็นเลขคี่ล่ะอันนี้แปลว่าสติของเราไม่ค่อยดีแล้วอย่าไปชราใจนะแต่เี่สติของเราไม่ดีเราต้องเข้มแข็งต้องฝึกสติให้เข้มแข็งเพราะว่าถ้าเราเผลอบ่อยๆเนี่ยอัลไซเมอร์น่ยเริ่มเข้ามาแล้วเอเผลอๆเราเบิร์เราเผลอไปมากๆเลยเป็นบ้าในง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนะขาดสตินี่ก็คือคนบ้าเพราะนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นไป เราต้องฝึกสติให้เข้มแข็งดูสติของตนเองนี่แหละวิธีการฝึกนะฝึกสติมเมื่อมีสติสัมปชัญญะกับตัวเองกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่เผลอแล้วทีนี้เมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิเมื่อเจ้าจิตใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้น เราจะรู้ชัดด้วยตนเองในเมื่อจิตใจของรวมสงบลงขนาดนั้นแล้วเราจะรู้ได้ดยตนเองว่ากายกับใจเป็นสองอันในร่างกายของเรามีอยู่สองคือรู ป, ปรธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจนามธรรมกับรูปธรรมหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่ารูปธรรมคือรถส่วนนามธรรมจิตใจในเหมือนกับคนขับรถแต่รถกับคนขับรถอาศัยกันอยู่ แต่รถก่อนที่จะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับถ้าว่าคนขับนิสัยดีมีมารยาทที่ดีได้อบรมศีลธรรมอยู่ในรถคันนี้รถคันนี้จะไปนั่งสถานที่ใดรถคันนี้ก็มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ถ้าว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นนักเลงหัวไม้โโลโกลโซเมาเหล้าอีต่างหากไปธนาชาสถานที่ใดชนดะไปหมดเหยียบดะไปหมด เปิดแกด่าคนไปหมดเพราะเหตุไรเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้รับการอบรมโซเฟอร์ไม่ได้รับการอบรมที่ดีเพราะนั้นเมื่อเราทำจิตใจให้สงบรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ไม่ต้องถามใครเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยตายแล้วสูนแน่ๆร่างกายสูนแน่ๆเข้าสู่ดินน้ำลมไฟแน่ แต่ว่านามธรรมตัวนั้นละ่ะออกจากร่างแล้วจะไปปฏิสนธิจะไปหาเกิดที่อื่นและเมื่อเราสร้างบาปก็ดีทำบุญก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีจะเข้าสู่จิตใจคือนามธรรมเอ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปรธรรมเพราะเหตุไรอย่างพุทธภาสิทธิวามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนเขาว่าเรื่องทั้งหลายโซเฟอร์รถทั้งหลายเนี่ยรถรถกับโซเฟอร์โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยโซเฟอร์อย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดถ้าว่าโซเฟอร์ดีขับรถคันนี้คันนี้ก็ไปได้ดี ทาวโซเฟอร์เกเรรถคันนี้ก็ทำให้เสียหายได้ง่ายๆอีกเหมือนกันเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้ความสำคัญเรื่องใจเป็นสำคัญมากกว่ากายจังหวะมนโนปุกพังขมาธรร ม, มามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศัธาญาติโยมทุกๆุกท่าน ่พระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายขอให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็ภาวนาในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเท่นี่เ อ, อเห็นกายเห็นใจของเราแล้วเรานํามาพิจารณาแยกแยะเท่นี่เดินวิปัสนา เ, นเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเรานําจิตที่ผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้ว่าออกทางวิปัญญาออกทางวิปัสนา ทำจิตใจให้สงบนั้นเรียกว่าสมถะสมถะคือทําจิตใจให้สงบแต่บางท่านบางคนก็ถามว่าเมื่อจิตใจสงบแล้วมันจะเดินออกปัญญาเองอย่างนั้นใช่ไหมหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าอย่าเลยน้อยมากที่พวกขีปปิญญาเท่านั้นที่จะออกทางปัญญาโดยมากจะต้องบังคับให้ออกอย่างเราเป็นต้นอย่างองหลวงตามหาบัวท่านไปศึกษากับหลวงปู่มัน่น อันดับแรกท่านก็ไปภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่หลวงตามหาปู่ท่านก็ทําอย่างที่พระพุทธเจ้าพากําหนดแต่หลวงปู่มั่นบอกว่า กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายนะถ้าว่าจิตใจยังไม่สงบมันยังเผล่พราไปอยู่ให้บริกรรมพุทธโธสำทับเขาอีกนะบริกรรมสำทับ พ, พุทธโธเขาด้วยเนี่ยมันจะเป็นพลังสองจิตใจจะได้เขาได้รับความสงบดีขึ้นหลวงตามหาบัวท่านก็ปฏิบัติตามทาคำสอนขององหลวงปู่มั่นที่อาจารย์ของท่านเพราะท่านเคารพ นับสื้อเลื่อมใสหลวงปู่มั่นสุดชีวิตของท่านจากนั้นท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโถมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่เวลาท่านเดินจงกรมขาขวาพุทขาซ้ายโถอันนี้คือการภาวนาขององค์หลวงตาเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถ เนี่ยครายๆว่ามีสติสัมปชัญญะในทุกริยาบทาจากนั้นท่านก็บริกรรมพุทโธดวงตาท่านนั่งภาวนาจนจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบนน่งเป็นหนึ่งนั่งตลอดทั้งคืนเลยท เ, เพรพอจิตใจใหม่ๆโอ้ท่านว่าสามสี่วันแรกเนี่ยบังคับเอาเสียวมันไม่ยอมคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราฝึก ควายไถนาลักษณะอย่างนั้นแหลอพอสนตะพายเข้าไปแล้วเอาไปไถนานทั้งจะผิดทั้งจะโดดทั้งกระโดดโลดเต้นถ้าเป็นควายแกเท่านั้นถ้ามีอายุมากมกเท่านั้นะ่ะเขาเราจะฝึกให้ระวังให้ดีก็แล้วกันนะ่ะเพราะฉะนั้นการฝึ ก, กจิตของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นแ่ะใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าของเราฝึกเข้าดีๆแล้วถึงควรแก่การงานใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่งเลยพอนิ่งจะเป็นนั่งสมาธิ นั่งตลอดทั้งคืนก็ได้เลจิตใจรวมสงบเป็นนั่งตลอดเลยเออก็จากนั้นก็มากราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่ครับเอเป็นไงมาหานั่งภาวนาโอ้จิตใจสงบดีมากครับผมนั่งทั้งคืนได้เออแต่ก็เออเป็นไงล่ะต้องพิจารณานะถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วสงบแล้วนำมาพิจารณานะมหานะหลวงตาท่านก่อน ม า, ามาอีกคำมาอีกเป็นไงม า, มาหาแต่พิจรารณาโอ้มันไม่ยอมออกครับผมพอมันเข้าสมาธิมันมันมีความสุขมันไม่ยอมออกเลยครับผมครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเท่านั้นแหละเอ้ยต้องออกนะทาไม่ออกไม่ไม่เกิดประโยชน์นะอต้องออกต้องบังคับให้ออกพิจารณานะพอครั้งที่สามเท่านั้นออกไหมมันออกอยู่แต่มันไม่ยอมออกมันออกแล้วมันเข้ามาหาสมาธิอีกอย่างเก่า ก็ผมหลวงปู่มั่นแต่เพิดเลยท่นี่สมาธิน่ยมันเพียงแต่เหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองทำไมจะไปหาหลงไหลในสมาธิเพียงแค่นั้นต้องพิจารณาต้องออกเดินออกสมาธิออกวิปัสสนาต้องพิจารณ า, าแอบบใช้มาตรการเลยลงตาท่านก็โอ้เอาจริงจังเลยท่านก็นํามาพิจารณาเ บ, บังคับมันจะออกไปก็บังคับไม่ให้มันเข้าสมาธิการเข้าสมาธิเนี่เหมือนกับมันเย็นสบายใช่ไหมพอจิตใจเข้าสมาธิเนี่ยมันเป็นความสงบเหมือนกับเราเข้าอยู่ในห้องแอร์ปิดแอร์แล้วนอนพักสบายแต่ออกวิปัสสนาเนี่ยเหมือนเราไปทำงานตากแดดไปทำการทำงานเทนี้ก็มันก็ไม่อยากจะออกมันอยากจะเข้ามาอยู่ในร่มอยู่ในสมาธิอยู่ในห้อง ในเมื่ออยู่ในห้องมันไม่ได้เกิดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่ได้ผลงานอะไรมันไม่เหมือนออกไปข้า ง, างนอกเมือม่อเมือ่อออกไปข้างนอกไปทำการทำงานการทำมาค้าขายก็เห็นผลงานขึ้นมาความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเราออกไปทำงานนี่แหละขอให้พวกเราคณะสัตยาญาิโยมลูกหลานพระเนรน้องนุง่งทั้งหลายที่ทำสมาธิแล้วยังไม่เกิดปัญญาขอให้ทาตามแนวแถว ที่องค์หลวงตาที่ท่านพาดําเนินมาหลวงพ่อเองมั่นใจว่านี่แหละเือวิธีการเดินสัมวิปัสสนาพิจารณาอะไรพิจารณาอันทีจังทุกขังอนาตตาพิจารณาเกสาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังคือสรุปแล้วก็คือให้พิจารณาร่างกายของพวกเราเนี่ยให้จะพิจารณากระดูกก็ได้พิจารณาอาการ32ของร่างกายก็ได้ แยกส่วนแบ่งส่วนเกศผมถอนขนถอนผมไว้กองหนึ่งขนไว้กองหนึ่งเล็บไว้กองหนึ่งฟันไว้กองหนึ่งหนังถลกหนังไว้กองหนึ่งเนื้อเอ็นกระดูกตาปอดลำไส้กองไว้เป็นกองกองกองเรียกว่าอาการ32 32ิาอกองอันไหนคือร่างกายของเราอันนั้นผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมเล็บเป็นของเราใช่ไมฟันเป็นของเราใช่ไหม ใช่ถ้ามันอยู่ในตัวของเราที่มันไม่แยกถ้ามันแยกอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงเป็นคนละอันคนละส่วนกันนี่ร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละเมื่อเราพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเสร็จแล้วเราก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจร่างกายเป็นของเราใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะนี้ เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจของเราเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงเพราะใจของเราเคยผ่านผ่านสมาธิมาแล้วจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนี่แหละมันพิจารณาอะไรจะเห็นได้ชัดเจนจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงร่างกายสังขารของเราว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นดิทฐาศีริน้ำลมไฟอีกสักวันหนึ่งแต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟ เราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นใจของเราเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เห็นนอกออกไปอีกขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเรายศถาบรรดาศักดิ์ล่ะเงินคําทรัพย์สมบัติละ่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงละ่ะวัดวาศาสนาละ่ะเ อ, อ่อซาหลงศาลาหลังนี้ถึงจะสร้างสวยหรูหราโอ้อาขนาดเถอจไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งนะข้าพเจ้าจะต้องหนีจากศาลาหลังนี้ ไม่ไม่ใช่ของเรานะอันนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อสมมุติอยู่ในโลกเท่านั้นเองให้มันอยู่ในได้ถ้าเราไม่สร้างไม่มีใครทําอะไรเลยมันก็ไม่ถูกในเมื่อทําเสร็จแล้วมันก็ปล่อยวางที่ใจเอออย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะใจนะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะจดถาบรรดาศักย์เงินคำทรัพสมบัติอะไรจะเป็นของเราได้อย่างไงสามีภรรยาลูกหลานเราิ้งทั้งหมด ไม่ใช่ของเราทั้งหมดนะใจนะเนี่แหละในเมื่อพิจารณาปล่อยวางที่ใจจากนั้นก็มองดูที่ใจใจของเราเห็นใจใจดูใจจากจากนั้นก็ใจเห็นใจใจเศร้าหมองใจผ่องใสใจเศร้าหมองใจผ่องใสคิดดีคิดเป็นดีคิด ด, ค ด, ดีคิดเป็นดีเราจะเห็นได้ชัดด้วยสติด้วยปัญญาของเราจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจนั่นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่อยู่ที่ไหนนะการัทธยายญาติโจร น้องนุ่งทั้งหลายนะอยู่ที่ใจของเรานะมักผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนขอให้พวกเราปฏิบัติจริงจังก็จะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราพาประพฤติปฏิบัติมาเพราะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันรวมกันแสดงออกถึงมุติตาสักกะระอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิีเบื้องต้นว่า ปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินวัยวุฒิคุณวุธทั้งหลายที่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราเป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้เคารพสักการะบูชาเรียกว่าปูชาจะปูชนียานังเป็นบุคคลที่ควรบูชา เอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของพวกเราถ้าพวกเรารู้จักเคารพอ่อนน้อมต่อวั ย, ยวุฒิคุณวุฒิต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าเราไปนสิฐานที่ใดดูถูกเย็ดย้อไม่มีสูงไม่มีต่อ เป็นคนทรยศต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณแล้วอย่าหวังเลยในชีวิตทั้งชีวิตนั้นจะมีแต่ความทุกข์นั่นแหละจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราถ้าเราเป็นคนทรยศ เ, เป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณถ้าว่าพวกเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนยกตัวอย่างอย่างหลงพ่อนิพนอย่างนี้แหละท่านรู้จักพระคุณ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จมีพระคุณต่อประเทศชาติต่อพวงการพระพุทธศาสนาพวกเราที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่เป็นลูกเป็นหลานแสดงออกซึ่งน้ําใจมุทิตาสักการะเป็นที่หน้ายกย่องหน้ายกย่องเชิดชูน้ําใจอย่างนี้ขอให้พวกเราเอาเป็นตัวอย่างอย่าเป็นผู้ จิตใจคับแคบอย่าเป็นผู้มีจิตใจที่ทรยศต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้รักเคารพเทิดชูบูชาผู้มีพระคุณมีแต่ความเจริญการกล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ด้วยบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเธอ